เร ท, ท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขรศ ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุกที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันแม่ แม่นี้เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆอันใหญ่หลวงการมีวันแม่เพื่ อ, เ พ, อเพื่อมีไว้เพื่อลูกๆทั้งหลายจะได้รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณแม่และของคุณพ่อด้วยเพราะถ้ามีคุณแม่คนเดียว ก็จะไม่มีลูกตามมาต้องมีพ่อด้วยพ่อและแม่จึงเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับลูกๆทุกคนเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูกดังนั้นบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี้จึงใหญ่หลวงมากถึงแม่พ่อแม่ ให้กำเนิดลูกแล้วแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ก็ตามบุญคุณที่ให้กำเนิดนี้ก็ยังไม่สูญหายไปไหนถึงแม่พ่อแม่จะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคือให้กำเนิดแก่ลูกนี้ก็ไม่ได้ดีหรือชั่วตามไปกับบุญคุณ เลยบุญคุณก็ยังเป็นบุญคุณเหมือนเดิมอยู่ดังนั้นถึงแม่พ่อแม่ของเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาก็ตามหรืออาจจะไม่มีความเมตตาต่อเราอาจจะโหดร้ายทารุณกับเราด้วยวิธีการต่างๆนานาบุญคุณของท่านก็ยังเป็นบุญคุณอยู่เราไม่ควรที่จะโกรธแค้นโกรธเคือง อาฆาตพยาบาท ต, ต่อบิดามารดาเป็นอันขาดเพราะจะถือว่าเป็นความอักตันยูเป็นความเนรคุณอย่างมากที่เราทำได้ก็คือปลงคิดว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องมาเกิดมาพบกับพ่อแม่ที่มีใจโหดร้ายทารุณแต่เราไม่มีสิทธิ์ในฐานะลูกที่จะไป โกรธแค้นโกดเคืองอาฆาตพยาบาทหรือทำร้ายพ่อแม่เลยพก็จะเป็นการกระทำบาปที่ใหญ่หลวงบาปที่เราได้มาเกิดพบกับพ่อแม่ที่โหดร้ายนี้แล้วยังไม่เท่ากับการไปทำบาปด้วยการทำร้ายพ่อทำร้ายแม่พราะจะเป็นนักบาปที่หนักยิ่งขึ้นต่อไปเมื่อเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรม ในอบายไปตกนรกกลับมาเกิดก็จะต้องมาเจอพ่อแม่แบบนี้อีกแต่ถ้าเราถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการใช้เวรใช้กรรมคือทำใจไม่ต่อบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ตอบสู้ปล่อยให้พ่อแม่ทำอะไรไปตามความต้องการของเขาจนกว่าจะหมดกรรมของเรา ถ้าเราทำอย่งนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเจอพ่อแม่แบบนี้อีกถือว่าเป็นการหมดเวรหมดกรรมกันไปแต่ถ้าเรามีการตอบโต้มีการต่อสู้มีการทำร้ายวิดามารดากรรมก็ยังจะมีตามมาอีกและจะมีไปเรื่อย พ่อจะติดเป็นนิสัยไปดังนั้นขอให้เราจงลำลึกถึงพ่อของและแม่ของเราว่าท่านเป็นเหมือนพระอาหารหันต์เป็นเหมือนพระพุธ <Yeah. S 1> เวลาที่อยู่ใกล้หรืออยู่ต่อหน้าพ่อแม่ก <Yeah. S 1> วนจะแสดงอาการกิิยาที่เคารพ <Yeah. S 1> ที่สำรวม yeah. ไม่ว่าท่านจะพูดจะทำอะไรที่ถูกใจเราหรือไม่ก็ตามขอให้เราทำตัวเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าพระเช่นตอนนี้ญาติโยมอยู่ต่อหน้าพระฟังเทศฟังธรรมอาจจะฟังแล้วไม่ถูกอกถูกใจไม่พอใจญาติโยมก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาฉันใดเวลาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ เวลาท่านจะพูดจะทำอะไรที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็ไม่ควรกิริยาอาการที่ไม่เคารพออกมานะเพราะจะเป็นการกระทําที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะเพราะว่าพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนพระอาหารหันตะ์ทำความดีกับพ่อกับแม่เราก็จะได้ เท่ากับทาบุญกับพระอาหารหันต์ดังนั้นอย่าไปมองการกระทาของพ่อแม่ไม่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องบุญกรรมของพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็มีบุญมีกรรมเหมือนพวกเราถ้าท่านเคยทำกรรมมาในอดีตกรรมก็จะติดนิสัยมากรรมไม่ดีก็จะติดนิสัยมาทำใ ห, ให้ท่านทาไม่ดี ถึงแม้ท่านจะไปติดครุกติดตารางเราก็ไม่ควรที่จะอับอายขายหน้าอย่าไปปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่านท่านจะทำดีหรือทำาชั่วมันไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นลูกท่านเวลาท่านทำาชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปกับท่านเวลาท่านทำดีเราก็ไม่ได้ดีไปกับท่าน แต่บุญคุณที่ท่านมีมีต่อพวกเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการให้กำเนิดให้ชีวิตกับพวกเราแล้วก็เลี้ยงดูพวกเรามาจนจเจริญเติบโตจนเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราจึงไม่ควรลืมบุญคุณของพ่อของแม่เมื่อเรามีความสามารถ ที่จะตอบแทนบุญคุณให้แก่พ่อกับแม่ได้ก็ควรทําเป็นสิ่งแรกเลยอย่าเพิ่งไปทําอะไรอย่างอื่นเช่นมีเงินอยากจะไปซื้อรถยนต์อยากจะไปซื้อบ้านอยากจะไปซื้ออะไรต่างๆก็ตามก่อนที่จะไปซื้อขอให้เราเอา เ, อาเงินทองนี้ไปทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนดูแลพ่อแม่ให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายก่อน อย่าดูแลตัวเราตัวเรานี้ตามมาทีหลังก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่ามีกำลังวังชามากกว่าสามารถอยู่กับความทุกข์ยากลำบากได้ดีกว่าได้ง่ายกว่าพ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้นร่างกายก็จะแก่ลงอ่อนกำลังลงต้องการ สิ่งต่างๆมาดูแลเพื่อให้อยู่ได้อย่างสุขสบายขอให้เราอย่าลืมพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เป็นอันขาดแล้วพยายามทดแทนบุญคุณของท่านตามฐานะของเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการทำบุญกับพระอาหารหันต์เป็นการได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระธรรมดา หรือทำบุญกับบุคคลธรรมดานี่คือพระคุณของพ่อแม่เริ่มต้นตั้งแต่การเลี้ยงดูเราในท้องเลยถ้าถ้าแม่ไม่กินข้าวไม่หายใจไม่ดื่มน้ำแม่ตายไปเราที่อยู่ในท้องก็จะต้องตายไปกับแม่ด้วยแต่ถ้าแม่พยายามกินอาหารดื่มน้ำหายใจเข้าออก ดูแลรักษาร่างกายของแม่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไปท่านก็กำลังเลี้ยงดูเราแล้วเพราะก่อนที่เราจะออกมาจากในท้องของแม่ได้เราก็ต้องได้รับอาหารหล่อเลี้ยงจนร่างกายโตพอที่จะคลอดออกมาได้นี่ก็เป็นพระคุณขั้นแรกแล้วตั้งแต่อยู่ในท้อง แล้วพอออกมาก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่วันคลอบเลยให้ดื่มน้ำนมเลี้ยงดูดูแลรักษาหาเสื้อผ้ามาให้ใส่หายามาให้กินคอยปกป้องภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและเลี้ยงมาจนกระทั่งเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจนสามารถช่วยตัวเราเองได้ พระคุณอันนี้จึงเป็นพระคุณที่ไม่ควรจะิืมวิธีที่จะทำไม่ให้ลืมพระคุณของพ่อของแม่ก็คือเราควรจะกราบพ่อกราบแม่ทุกเช้าทุกเย็นไม่ว่าเราจะอยู่กับท่านหรือไม่ก็ตามการกราบนี้ไม่จำเป็นจะต้องกราบต่อหน้าท่านกราบที่หมอนนอนของเราก็ได้ ก่อนที่จะนอนก็กราบพ่อกราบแม่เวลาตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปทำอะไรก็ให้กราบพ่อกราบแม่หลังจากที่เรากราบพระแล้วพาออะไรถ้าเราทาประจาทุกวันเราจะได้ไม่ลืมพ่อรืมแม่นั่นเองถ้าเราไม่ทาแล้วชีวิตของเราที่มีภารกิจการงานมีเรื่องราวต่างๆมากมายก็จะมากลบ ทำให้เราลืมพ่อลืมแม่ไปได้เพราะมัวยุ่งต่อการดูแลรักษาชีวิตของเราทำมาหากินหาความสุขแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราเองถ้าเราไม่ได้กราบพ่อกราบแม่ให้ติดเป็นนิสัยเราก็จะลืมพ่อลืมแม่ไปได้แต่ถ้าเราคอยกราบอยู่ทุกวันอย่างนี้ เราก็จะไม่ลืมและยิ่งสมัยนี้เราสามารถติดต่อกับพ่อแม่ได้อย่างง่ายดายเพราะมีโทรศัพท์มือถือเราก็ควรที่จะโทรไปถามสารทุกข์สุขดินอยู่เรื่อยๆถ้าโทรได้ทุกวันก็ยิ่งดีถ้าโทรไม่ได้ทุกวันก็อย่างน้อยสองสามวันสักครั้งหนึ่งหรือเท่าที่เราจะทำได้ แ้วเมื่อคุมีเวลามีโอกาสมีของใช้ไม่สอยอะไรก็ควรที่จะไปเอาไปกราบเอาไปให้พ่อให้แม่เพราะเหมือนกับไปทําบุญที่วัด น, นี่แหละเหมือนกับที่ญาติโยมมาทําบุญที่วัดในวันนี้นำกับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานต่างๆมาถวายพระก็เป็นการทําบุญ เวลาเราไปเอาข้าวเอาของเอาอาหารข้าวหวานไปให้กับพ่อกับแม่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันความจริงเราควรที่จะทำกับพ่อกับแม่ของเราก่อนก่อนที่เราจะออกไปทำกับพระตามวัดต่างๆเพราะถ้าเราไม่ทำแล้วเราก็จะขาดหน้าที่สำคัญไป แทนที่จะเป็นคนมีความกตัญญูกตวเวทีก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูไปได้กลายเป็นคนเนรคุณไปได้ซึ่งคนที่ไม่มีความกตัญญูนี้จะเป็นคนที่สังคมรังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเขาจะต้องคิดว่าขนาดพ่อกับแม่ที่มีพระคุณอย่างยิ่งกับเขา เขายังไม่มีความกระตันยูเลยแล้วเราเป็นอะไรกับเขาเราช่วยเหลือเขาทำความดีให้กับเขาเขาจะมีความกระตันยูหรือเปล่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนเขาจะดูเราในเบื้องต้นเขาจะดูว่าเราเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีหรือไม่เป็นคนเนรคุณหรือไม่ถ้าเป็นคนเนรคุณเป็นคนอกกระตันยู เขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมจะไม่อยากช่วยเหลือจะไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีเป็นคนที่ไม่เนรคุณเขาก็จะยินดีช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตของเรานี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราทําอะไรของเราคนเดียวไม่ได้เราต้องมีคนอื่นช่วยเหลือเรา คนอื่นเขาจะยินดีหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราเป็นคนมีความกระตันยูหรือไม่นี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีขอให้เรามีความกระตันยูกระตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราและต่อผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งหลายมีเวลามีโอกาสก็ขอให้เราทดแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นเสมอ แล้วชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าจะมีความสุขจิตใจมีความสุขเพราะว่ามีความกตัญญูกตวเวทีจิตใจจะมีความทุกข์ก็เพราะมีเพราะมีความเน ร, รคุณเวลาทำร้ายพ่อแม่แล้วจิตใจจะเศร้าหมอ ง, องจะไม่ไม่มีความสบายอกสบายใจเวลาที่ได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ หรือทำความดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณเราก็จะมีความสุขใจเพราะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนเรานี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ทำให้เราดีทำให้เรามีความสุขแต่เนื่องจากเรามีติเลตมีความหลงเรากับไม่เห็นคุณประโยชน์ของคำสอนของพ่อแม่พอไปขัดใจกับติเลต ข, ของเรา ที่อยากจะทำอะไรที่จะเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อไปเช่นเวลาที่เราเกียดคร้านพ่อแม่มาปลุกมาเรียกเราให้ตื่นขึ้นเราก็จะไม่พอใจได้เพราะเรากำลังมีความสุขกับการหลับนอนแต่เราไม่รู้ว่าการหลับนอนนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราถ้าร่างกายได้การพักผ่อนพอเพียงแล้ว หลับนอนมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรควรที่จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อมาทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จะดีกว่าช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านทากับข้าวกับปลาอาหารซักเสื้อผ้าหรือทำการบ้านดูหนังสือหรือทำงานที่ทำให้เกิดไรายได้ดีกว่าหลับไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วก็จะติดเป็นนิสัยจะทำให้เราเสีย น, นิสัยชีวิตของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราหรือบอกเราให้ทําความดีห้ามเราไม่ให้ทําบาปเราไม่ควรที่จะไปโกรธท่านถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบใจก็เพราะว่ากิเลสของเรานี้มันจะไม่ชอบทําความดีมันชอบแต่จะทาบาป ชอบจะทำแต่สิ่งที่เกิดความเสียหายต่อเรานะเราจึงควรเชื่อคุณพ่อคุณแม่หรืออย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ฟังเฉยๆอย่าเถียงอย่าตอบโต้ถ้าท่านพูดไม่ถูกก็ถือว่าท่านไม่รู้ก็แล้วกันเพราะคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแต่อย่างน้อยที่สุด ก็ขอให้เรารู้ว่าท่านมีเจตนาดีต่อเราท่านมีความหวังดีมีความปรารถนาดีท่านต้องการที่จะปกป้องเราไม่ให้ไปเกิดความเสียหายต่างๆท่านต้องการให้เราได้พบแต่ความสุขและความเจริญแต่บางสิ่งที่ท่านพูดไปถ้าไม่ถูกถ้าขัดกับหลักธรรมเราก็ไม่ต้องทาตามก็ได้ ไม่เสียหายไม่เป็นการในรคุณไม่เป็นการไม่มีความเคารพเช่นถ้าท่านบอกว่าให้เราไปขมโมยหรือไปเอาสามีหรือภรรยาของคนอื่นอย่างนี้เราไม่ต้องทาตามถึงแม้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเช่นอาจจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาจะมีชีวิตการกินอยู่ที่ดีขึ้นก็ตาม แต่มันเป็นการกระทำผิดศีลผิดธรรมเป็นการกระทำบาปถ้าเราไม่ทาตามพ่อแม่เราก็จะไม่ถือว่าเป็นการในละคุณแต่อย่างใดเพราะการกระทานี้จะต้องไม่เป็นการกระทาบาปถ้าการกระทาบาปแล้วเป็นการกระทาที่ไม่ดีทำนั้นถึงแม่พ่อแม่จะเป็นคนบอกให้เราทำเราก็อยากไปทา แต่เราไม่ต้องไปเถียงไปสอนพ่อแม่ว่าไม่ดีเป็นบาปเราไม่มีหน้าที่สั่งสอนพ่อแม่พ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนเราเรามีหน้าที่รับฟังเพียงอย่างเดียวถ้าผิดเราก็เก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดออกมานอกจากว่าถ้าท่านเปิดโอกาสถ้าท่านอยากจะถามเราว่าผิดงึกถูกดีหรือเชั่วเราก็ พูดได้แต่ควรจะพูดด้วยความเคารพและอย่าไปพูดเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันเมื่อพูดแล้วถ้าท่านไม่เชื่อไม่ฟังก็ปิดปากได้ยุติได้คือเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วถ้าเราเห็นว่าท่านทำไม่ถูกทำผิดและเราสามารถที่จะพูดบอกท่านได้เราก็พูดไป ท่านจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปบังคับใจของท่านได้แต่เราไม่ควรที่จะเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ควรทะเลาะกับพ่อกับแม่เป็นอันขาดคนเราถ้าคนหนึ่งนิ่งแล้วก็การทะเลาะเบาแวงก็จะไม่เกิดขึ้นการต่ออย่าไปเถียงกันปล่อยให้คนนึงพูดไปเดี๋ยวไม่นานเขาก็เหนื่อยเขาก็จะหยุดพูดเอง แต่ถ้าเขาพูดแล้วเราตอบโต้กลับไปเขาก็จะพูดกลับมาพูดกลับไปกลับมาก็จะเกิดอารมณ์แรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็อาจจะต้องทำร้ายกันเมื่อทำไปแล้วก็จะต้องมาเสียใจภายหลังนี่คือความสำคัญของพ่อของแม่ที่เราควรที่จะลำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่กับท่านหรือไม่ก็ตาม ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนและหลังจากตื่นขึ้นมาควรจะกราบท่านกราบไปในทิศที่ท่านอยู่หรือกราบที่หมอนก็ได้กราบแล้วก็ขอให้เราล้ำลึกถึงพระคุณของท่านว่าถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีเราทุกวันนี้ชีวิตของเรานี้มีท่านเป็นผู้ให้เรามาดังนั้นไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีพระคุณ ต่อชีวิตของเราเท่ากับพระคุณของบิดามารดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้เราดูแลพ่อแม่อย่างดีไปจนถึงวันตายบุญคุณที่ท่านมีต่อเรานี้เราก็ยังจะใช้ไม่หมดมีวิธีเดียวจทนั้นที่จะใช้ให้หมดได้ก็คือถ้าเรามีความสามารถสอนให้ท่าน เป็นพระ อ, อริยเจ้าได้คือเป็นพระโสดาบันขึ้นไปได้คือไม่ทําบาปอีกต่อไปทําแต่บุญไปตลอดชีวิตถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ท่านบอกว่าเป็นการชดแทนบุญคุณได้หมดสิน้นเพราะท่าพ่อแม่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วท่านจะไม่ต้องไปเกิดนรกอบายอีกต่อไปพบชาติก็จะมีเหลือไม่เกิน เจ็ดชาติเท่านั้นก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปอย่างแน่นอนนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไปได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำต่อพระราชมารนดาและพระราชบิดาพระราชมารนดา ถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระพระปัญญาพัพลังจิตสามารถติดต่อกับจิตหรือวิญญาณของพระราชมนรดาได้สามารถสั่งสอนทางผ่านทางกระแสจิตจนพระราชมนรดาพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ส่วนพระราชบิดาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเป็นการตอบแทนบุญคุณได้หมดสิ้นไปได้เต็มที่ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยถ้าพวกเราอยากจะทดแทนบุญคุณแบบนี้เบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติ ทำตัวให้เราเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก่อนถ้าเรายังไม่เป็นเราจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรถ้าเรายังสอนตัวเราเองให้เป็นไม่ได้แล้วเราจะไปสอนคนอื่นให้เป็นได้อย่างไรเหมือนกับถ้าเรายังทํากับข้าวไม่เป็นเราจะไปสอนคนอื่นให้เขาทํากับข้าวได้อย่างไรเรื <S <s ้องต้นเราต้องสอนตัวเราเองก่อนต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเมื่อเราเป็นแล้วถ้ามีโอกาสที่จะสอนพ่อสอนแม่ได้ก็สอนแต่เราต้องดูกาลเทศะดูว่าท่านพร้อมที่จะรับคำสอนของเราหรือไม่ถ้าท่านไม่พร้อมก็อย่ายัดเยียดอย่าย บ, บังคับ อย่าไปโกรธท่านอย่าไปเสียใจเราต้องถือว่าเป็นกรรมของท่านที่ยังไม่มีความสามารถหรือไม่มีบุญมากพอที่จะรับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องปรมไปว่าเป็นกรรมของศัตว์ไปเราก็ทดแทนด้วยวิธีอื่นทดแทนด้วยการให้ข้าวของเงินทอง เรื่งใช้ไม่สอยต่างๆดูแลรักษาท่านในยากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าท่านตายไปแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำได้ถ้าเราไม่สามารถทดแทนด้วยการสอนให้ท่านปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นาพาคโสดาบันนี่คือหน้าที่ของลูกๆทุกๆคน คือการทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ไม่ใช่ของลูกก็คือไปด่าพ่อด่าแม่ไปทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ไปโกรธแค้นโกรธเคืองต่อพ่อต่อแม่อั น, นี้ไม่ใช่หน้าที่อั น, นี้เป็นการกระทำของจิตใจที่ฝ่ายต่าเรียกว่าจิตของเดรัจฉานจิตของสัตว์นรกเท่านั้น ถ้าเราไม่อยากจะเป็นเดรัชานเราไม่อยากจะตกนรกอย่าไปทำบาปทํากรรมกับพ่อแม่เป็นอันขาดขอให้เราเคารพพ่อเคารพแม่อยู่เสมอและพยายามทำความดีต่างๆให้กับพ่อกับแม่ให้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะทำได้เพราะหลังจากที่ท่านจากเราไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจ มาล้องโห่้องไห้ที่หน้าโรงศพว่าไปทำไม่ดีต่อพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำความดีกับพ่อกับแม่เลยขอให้เราทําในตอนนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านรับรู้ได้ท่านจะมีความสุขมากและจะทาให้ท่านไปสวรรค์ได้เพราะความสุขใจนี่แลก็คือสวรรค์นี่เอง แต่ถ้าเราไปร้องห่มร้องไห้แล้วไปทำความดีหลังจากที่ท่านตายไปแล้วท่านก็จะไม่รู้แล้วก็บุญที่เราอุทิศไปให้ท่านก็เป็นบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสู้บุญที่เราทำกับพ่อแม่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้ท่านจะได้รับบุญมากกว่านี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เราควรที่จะทำอยู่ทุกนาที ไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตของเราในวันแม่แห่งชาตินี้พวกเราจึงได้มาทำบุญกันถ้าพ่อหรือแม่ได้ตายจากเราไปแล้วก็ขอให้เราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนนี้ไปให้กับท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เวลาเราออกจากวัดไปแล้วก็หาข้าวหาของหาอะไรไปกราบท่านไป ไปแสดงความเคารพนับถือความกตัญญูกตเวทีต่อท่านแล้วเราจะได้บุญทั้งสองส่วนบุญที่มาทำที่วัดบุญที่ได้รับจากการอุทิศส่วนบุญส่วนตัวสงให้คุณพ่อคุณแม่ไปหรือบุญที่ได้จากการไปทาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราต่อไปดังนั้นก็ขอฝากเรื่องการจาเลิกถึงต้อคุณอันประเสริฐ ของพ่อของแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์และสุขที่จะที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละโดยทั่วหน้าการเธอ